ธการวะสิกขาบท 6 ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดย นั่งบ้างนอนบ้างบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านคนในบ้านเกรงใจ บรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าฉะไหนภิกษุณีถูลนันธา ลำดับนั้นพระว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีโถลนันธาเข้าไปสู่ตระกูลภาย ฉะนั้นภิกษุณีโถลนันทาจึงเข้าไปสู่ตระกูลภาย นั่งหรือนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีทุลนันธา ที่ชื่อว่าภายหลังชั้นพลทหารได้แก่ตั้งแต่เวลาที่รุ่งคือไปนั้นคําว่าโดยไม่บอก คำว่านั่งคือนั่งบนอาสนะนั้นต้องอาบัติปาจิตติคำว่าหรือนอนคือนอนบนยังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญ ยังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่าบอกแล้วนั่งหรือนอนบนอาสนะต้องอาบัติปาจิตติ คือ 1 ภิกษุณีบอกแล้วนั่งหรือนอน สมัยนั้นพุทธเจ้าประทับณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีหลายรูปเดินทาง พวกภิกษุณีกล่าวว่าพวกเราจะรอจนกว่าพราหมณ์จะมาได้ ครั้นภิกษุณีเหล่านั้นไปถึงกรุงสาวัตถี ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่ง ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงเข้าไปสู่ ก็ภิกษุณีใดเข้าไปตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคำว่า นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอา ที่ชื่อว่าที่นอนโดยที่สุดแม้เครื่องปู ปูหรือใช้ผู้อื่นให้ปูที่นอนแล้วนั่งหรือนอนต้องอาบัติปาจิต บอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติบอกคือ 1 ภิกษุณีบอกเจ้าของปู 2 อันธการวะสิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการให้ผู้อื่นพรณนาเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีสมัย พระภัทรกาปิลานีได้กล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายดังนี้ว่าแม่เจ้าภิกษุณีนี้อุปถากเราโดยเคารพเราจะให้จีวรเธอแต่ภิกษุณีนั้นเพราะความเข้าใจผิดเพราะไคลครวนผิดให้ผู้อื่นโพธนาว่าแม่เจ้าเขาว่าดิฉันไม่ได้ เชนัยภิกษุณีจึงให้ผู้อื่นโพธนาเพราะเข้าใจผิดเพราะไคลครูญผิดแล้วครั้นแล้วภิกษุณี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 คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ อุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็น อนุปัสสัมปันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีอนอนอนอน 2 ภิกษุณีต้น 8 จบ 2 อนตการวะศีลขาบท 9 ว่า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 ดิฉันนี่แหละไม่มีความละอายพวกแม่เจ้าที่ไม่เห็นสิ่ง บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามพรทนาว่าไฉนแม่เจ้าจันทกาลีจึงสาปแช่งตนเองบ้างผู้อื่นบ้างด้วย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็น ฉะนั้นภิกษุณีจันทกาลีจึงสาปแช่งตนเองบ้างผู้อื่นบ้างด้วย โดยด้วยพระมจันทร์ต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องคำว่าก่อใดนี้ที่คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่านี้ที่พระ คำว่าผู้อื่นได้แก่อุปสัมบันภิกษุณีสาปแช่งอุปสัมบันด้วยนรกหรือด้วยพรหมจรรย์ต้อง ภิกษุณีสาปแช่งด้วยคำที่บ่งถึงกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยหรือคนโชคร้ายต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีสาปแช่งอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัติทุก ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีมุ่ง อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขครุงสาวทีครั้งนั้นภิกษุณีจันทกาลีทะเลาะกับภิกษุณี ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศึกษาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มี การกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ นิที่พระผู้ ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีถูกความ 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 10 จบอรรถกถา 2 จบ นควกหมวดว่าด้วยการเปลือย แม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านยังเป็นสาวจะประพฤติธรรมดามนุษย์ควรบริโภคกามมิใช่หรือต่อเมื่อชรา ขอภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยก นิติพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คําว่าปล่อยกายอาบน้ําคือไม่นุ่งผ้าหรือไม่ห่มผ้าอาบน้ําต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่อาบอาบเสร็จแล้ว สิกขปิสุณีต้น 1 จบ 3 นักวรรคสิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ําไม่ได้ขนาดเริ่ม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 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติเสขคบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่อง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 ถ้าไม่เกินขนาดเรื่องภิกษุณีฉัพพคีจบสิกขาบทวิภังที่ชื่อว่าผ้าอาบน้ําได้แก่ผ้าที่ใช้กว้าง ภิกษุณีทําเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทําเกินขนาดนั้นต้องอาบัติทุก ภิกษุณีทำผ้าอาบน้ำที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตติภิกษุณีใช้ผู้อื่นให้ทำผ้า 1 ภิกษุณีทําผ้า 2 ภิกษุณีทําผ้า 3 ภิกษุณีได้ผ้าอาบน้ําที่ 4 ภิกษุณีทําเป็นเพดานผ้าปูพื้นผ้า 6 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 2 จบ ว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วเรื่องภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระรูปหนึ่งทําจีวรไม่ดีเย็บไม่ดีทั้งที่ใช้ผ้า แต่กลับทําจีวรไม่ว่าแม่เจ้าดิฉันจะเลาะออกท่านจะเย็บให้หรือภิกษุณีโทลนันทากล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันจะเย็บให้ครั้นแล้วภิกษุณีว่าดิฉันจะเย็บ ภิกษุณีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพธนาว่าไฉนแม่เจ้าโถลนันทาจึงให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้วไม่เย็บให้ทั้งแล้วครั้นแล้วทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคทรงประชุมสงฆ์บัญญัติเสขา ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค เพ็ญในภิกษุณีโถลนันธาจึงให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้ว ภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีพ้น 4 5 วันติเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบสิกขาบทวิภังคําใดคือผู้ใดก็ใดคํา นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คําว่าของภิกษุณี คำว่าไม่ 4 ถึง 5 วันคือเก็บไว้ได้ 4 ถึง 5 บางไม่ขลัวใช้ผู้อื่นให้เย็บพ้น 4 ถึง 5 วันต้องอาบัตปาจิตติ พ้น 4-5 วันต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกกฏภิกษุณีเลาะหรือใช้ให้เลาะบริขาร อนุปัสสบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปัสสบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอนุปัสสบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปัสสบันต้อง 4 ภิกษุณีผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุณีผู้มี 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณีต้น 3 จบ 3 นควรรคสิกขาบท 4 ว่าด้วยการ ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายฝากจีวรไว้กับพวกภิกษุณีมี บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโผนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งกับพวกภิกษุณีแล้วมีเพียงอุตราสงฆ์ ลําดับครับจึงให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุ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 ภิกษุณีใดให้วาระแปรเปลี่ยนสังฆาติจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใด คำว่าให้วาระ 5 วันล่วงเลยไป 5 ผืนสิ้น 5 คือ 5 ต้องอาบัติปาจิตตี 5 วันภิกษุณีสําคัญ 5 วันแล้ว ล่วง 5 วันภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่ล่วง 5 วันภิกษุณีสําคัญว่าล่วงเลย 5 วันภิกษุณีไม่แน่ใจ 5 วันภิกษุณีสําคัญว่ายัง คือ 1 ภิกษุณีหนุ่ม 5 ผืนหรือ 5 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณีต้น 4 จบ 3 นควัคสิกขาบท 5 ว่า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 ภิกษุณีทั้งหลายบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณี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 ฉะนั้นภิกษุณีจึงข่มจีวรของภิกษุณีอื่นโดย คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้ว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ หรือโดยไม่ได้บอกกล่าวต้องอาบัติปาจิตตีบทพาชณีติกะ ภิกษุณีห่มจีวรสับเปลี่ยนกันกับอนุปสัมปันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมปันภิกษุณีสำคัญคือ 1 ภิกษุณีหนุ่มหรือห่ม พระภิกษุณีนุหรือห่มจีวรนั้นโดยบอกเจ้า 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาจบ 3 นควรรคสิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันอารามของอนาถปินิกะเศรษฐีเขครุงสาวถีครั้งนั้นตระกูลอุปถ่าของภิกษุณีโถลนันทาได้กล่าวกับภิกษุณีโถลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้า ร่มตระกูลนั้นถูกไฟไหม้พวกธรรมของพวก ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไป ภิกษุจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า ก็ภิกษุณีใดทําอันตรายแก่ชีวรที่คณะจะพึงได้ต้องอาบัติปาจิตติเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบสิกขาบทวิภังคําว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่มีพระภาคว่าก็ใดภิกษุณีมีอธิบายภิกษุณีเพราะเป็น ที่ชื่อว่าคณะพระผู้มีพระภาคปราตรหมาย ภิกษุณีรูปเดียวหรือของอนุปัสสัมปันคือ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 6 จบ